ตายจะทำวาจาจะพูดจิตจะเนตคิดห้ามเอาไว้ทุกอย่างไม่ให้เต็มหัวคิดไม่คิดตามอารมณ์อะไรให้เง็จใจเอาไว้เมื่อไรตั้งใจรักษาใจทั้งตัวอย่างนี้การตั้งธรรมก็จะเกิดอนนี้สง่งคือเกิดความ ความสงบความเย็นของใจเพราะเรื่องของใจนั้นไม่มีโอกาสเวลาที่จะพักผ่อ น, ไ ม, นไม่ว่านั่งว่านอนไม่ว่ายืนว่าเดินมีแต่คิดแต่ปลิตตามอารมณ์อยู่เรื่อยไปเรื่องของใจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงให้สึกอบรมใจเพื่อความสงบ ความพักผ่อนของจิตจะได้มีกำลังนึกคิดแก้ไขปัญหาของใจผี่ข้องจิดต่างๆให้ตกออกไปขาดออกไปนี่คือการฝึกอบรมจิตระยะที่ฟังธรรมะก็เป็นโอกาสเวลาที่สุดอบรมภาวนาเป็นโอกาสที่ละกิเลส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 หูฟังใจก็คิดก็นึกในเรื่องอื่นเทียมันก็ไม่มีโอกาสเวลาจะสะงบให้เมื่อไม่สงบ ม, ม, มันก็ไม่สุขมันก็ไม่สบายไม่เย็นมีแต่ความเหล่าร้อนวุ่นวายปุงคิดไม่มีอะไรคิดกับการนั่งธรรมดาคุยธรรมดาฟังเรื่องภายนอก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 ต่างหน้าต่างตาศึกษาภาวนาหาความสงบทางกายทางวาจาทางใจเมื่อสถานที่เหมาะสมพอที่จะอบรมจิตใจให้สงบได้เราก็ถือโอกาสอันนั้นแหละมาทำความสงบของใจ จะอยู่คนเดียวก็ให้สังเกตจิตใจท่องตนรักษาจิตใจท่องตนไม่ให้ไปกังวลบุ่นวายกับเรื่องภายนอกจะกําหนดบทบริกรรมหรือจะกําหนดลมหายใจก็ถูกสําหรับอัชฉาิยะใสของแต่ละผันแต่ละคนเรากําหนดลมทําให้จิตใจท่องตน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 ในตัวของตัวเรากําหนดลมทำให้จิตละเอียดอ่อนเข้าไปแล้วก็กําหนดลมเรากําหนดพุตโททำให้จิตใจสงบระงับได้เราก็กําหนดพุตโทแต่ทุกสิ่งทุกอย่างท้งหากเรามีสติความรู้อยู่ในจิตในใจทำอะไรทำไปเพื่ออัดเพื่อทำ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 ที่เกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นมากเท่าไรก็ไม่มีความสบายไม่มีความสุขยาที่เรานำมารักษามันมีหลายประเภทเรารักษายยาอันนี้โรคของเราไม่ดีไม่หายให้เราก็เอาขนานใหม่มารักษาเพื่อจะให้โรคมันหายไปจะให้ร่างกายปลอดภัยแข็งแรงสบายทำการ งานต่างๆได้มีเรื่องข้องใจกว่าทำนองเดียวกันทุกท่านที่นี่ที่เจรณาสังเกียดใจข้องตัวมันถูกอะไรที่จะทำความสุกความสงบความอย็นเย็นให้ก็่าหาทำนั้นๆมารักษาใจข้องตัวลายใจข้องตัวอยู่ในขอบเขตของธรรม อยู่ในวงคล้องธรรมมีความร่มเย็นมีความเบิกบานมีความสุขความสงบนี่คือการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติควจะต้องหาสถานที่นิใช่ว่าจะประพฤติปฏิบัติที่ไหนก็ได้ยิงอยู่สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเท่าขั้น จริงจังแล้วท่านอยู่สถานที่ใดท่านก็ทําได้สะดวกสบายแต่เราฝึกใหม่ฝึกษาใหม่ก็เหมือนกันกับนักเรียนจะต้องมีครูมีอาจารย์แนะนเขียนให้ดู <c oughs> อ่านให้ฟังให้นักเรียนต่างหน้าต่างตาดูครูที่แนะสอนท่เขียนอย่างไรก็ไก่ก็กาท่านอ่านอย่างไร จะส่องฟังเสียงสะเนียงที่ทันอ่านเมื่อหลายวันเข้านักเรียนก็จำได้ฝึกหัดเขียนเป็นเมื่อเขียนเป็นแล้วจะไปเขียนอยู่บ้านก็เขียนได้เขียนอยู่สถานที่ใดก็ง่ายก็สบายแต่การฝึกจิตฝึกใจนั้นก็ทํานองเดียวกันจึงจาเป็นส่องหาสถานที่นม่ใช่ว่าจะฝึกอยู่ที่ไหนก็สะดวก สบายให้ทุกผลทุกแห่งไปพระพุทธเจ้าจึงสอน <c oughs> เรื่องลีเวเพื่อเป็นสถานที่ฝึอกอบรมจิตใจของโยคาวิจรภูมมุ่งมั่นที่จะประงพ ฤ, ฤตงไปฏิบัติกำจัดกิเลส ต, ตันหาเรี่ยวกาโยคาวิจร สอนให้ไปหาที่วิเวกที่เหมาะสมที่เป็นสัพปายะที่วิเวก <c oughs> ก็หมายถึงที่สังกัดไม่มีบุคคลไปเกี่ยวข้องคุกข้างเราอยากจะนั่งสังวันก็ไม่มีอะไรจะมาเกี่ยวข้องวนวายรูปภายนอก กมนไดมาเกียวข้องให้จิตใจปรุงเชดเสียงภายนอกโกมนไดมาเกียวข้องให้จิตใจลุ่มหลงเงียบสงัดภายนอกอยากจะนั่งตอนไหนก็สะดวกสบายอยากจะเดินตอนใดกงง่ายหนีหมายถึงที่วิเวทของตายท่านให้แสวงหาเนี่ยแต่ เป็นพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ผูชมเชยห่วงวิเวชทั้งทั้งที่ท่านหมดยิเหลือปัญหาท่านผูชมเชยสรรเสริญห่วงวิเวชการตั้งวัดในสมัยพุทธกาลวัดของท่านวัดแรกอย่างเรือรวันก็ห่างจากหมู่บ้านเป็นยี่สิบห้าเซน คือเสียงท้ายนอกไม่ค่อยจะไปรบกวนเวลานั่งเวลาเดินก็สะดวกสบายคนจีตไปฝึกอบรมเป็นชิสุสามะเนนหรืออุบาสกอุบาจิกากว่าหาความสงบหาความวิเรกได้พอสมควรนี่เป็นเรื่องของวัดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเบื้องตนต่อมาก็ บรรติทํานองนั้นเป็นสถานที่ฝึกอบรมจิตใจเพราะสมัยนั้นปริญญาดูเหมือนยังไม่มีสอนกันด้วยปากเปล่าสอนแล้วคนที่ฟังก็นำไปที่นิ่ที่เจนานําไปประพฤติปฏิบัติเกิดข้อขัดข้องสงสัยอะไรก็มา คุณถามพระพุทธเจ้าอีกเสนาสนะป่าเสนาสนะที่พักที่อาศัยที่วิเวษกายที่วิเศใจนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปยี่สิบห้าเส้นขึ้นไปจนถึงสองรอยเส้นเกนนั้นว่าลำบากลำคาญเกนไปสองรอยเส้นลงมาหายี่บห้าเส้น เต็ที่อยู่ที่อาศัยของผู้ฝึกจิตฝึกใจเมื่อได้สถานที่วิเวสงบภายนอกไม่มีรูปเสียงสิ่นรดเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวแล้วจิตก็มีโอกาสเวลาที่จะภาวนาหาความสงบได้ เพราไม่มีอะไรภายนอกจะมาวุ่นวายแหนตัวสอนตัวส <c oughs> ิ่งอื่นภายนอกเขาสงบหมดเหลือแต่จิตของเราเนะื้อคิดปรุงปรงตามสัญญาอาดีตบ้งางอนาคตบ้างปัจจุบันในอยู่กับตัวของตัววิ่งว่อนไปในอดีตนะอน า, าคตเรื่อยการคิดปรุงปล่อยจิต ให้ไปตามกิเลสตันหาสัญญาอารมณ์อย่างนี้เราเคยปล่อยมาเป็นเวลาระยะยาวนานไม่เห็นความสูกความสงบของจิตไม่เห็นอานิสงส์อะไรในการปล่อยจิตปล่อยใจไปนอกจากจะขว้าแต่สิ่งที่เดือดร้อนวุ่นวายมาแผดเผาตัวเอง ไม่อย่างนั้นจิตก็เหนื่อยเมื่อยหิวเพราะความจิตตรงของจิตของใจเวลานี้เราได้ที่วิเวงสงบภายนอกไม่มีรูปเสียงเรืองราวอะไรรบกวนเขา ว, วิเวงเงียบสงบทุกอย่างเราจะสอนจิตของเราให้วิเวดโดยการกำหนดบท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 ลอยปะละอารมณ์ต่างๆให้หมดไปแล้วจิตลงรวมอย่างนี้มีความสูกน่าอัศจรรย์ไม่มีใครที่ไหนจะมีสมบัติพัทธสถานบ้านช่องใหญ่โตมีเข่าของเงินทองมากมายขนาดไหนจะมาประศบพบเห็นจิตใจชนิดที่เราเห็นเราเป็นหรือไม่เพราะจิตชนิดนี้จะเห็นจะเป็นจะต่องอาศัยการบําเพ็ญ จะต้องอาศัยการฝึกอบรมทางธรรมะเราเชื่อพอเราเห็นเราเป็นในตัวของเราความสุขความสบายนั้นมันผิดกันคนละโลกกับความสุขซึ่งเราเคยประสบพบผ่านมาจากรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆทางจารมารลมเพราะความสุขของใจที่ปราปจาก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 ที่เคยสัมผัสเกี่ยวข้องมันไม่เหมือนความสุขของจิตใจที่เขาสงบที่รวมรวมให้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราเห็นความสุขอันปราณีความสุขอันสุขขุมความสุขอันละเอียดแล้วก็ต้องการอารมณ์ส่วนนอกที่เราเคย อยู่ยวข้องเราเคยติดตามมันก็ละเองถอนเองพราะอารมณ์ส่วนนั้นมันอยากอารมณ์ส่วนนั้นมันไม่มีดีพิเศษเสมอกับความสุขความสบายในอาดในธรรมที่เราเป็นเราเห็นนี้แล้วก็อยากจะเห็นอยากจะเกินอยู่เรื่อยๆพอถอนมาจิตใจก็ห่วงเมื่คิดถึงความสุข ความสงบความเย็นความละเอียดของจิตอยู่เรื่อยๆไม่ได้คิดไปทางนอกมีโอกาสเวลาบําเพ็ญภาวนากว่าทําเคยทําแบบไหนใจเคยสงบดังนั้นก็ ก, กําหนดแบบนั้นอยู่เรื่อยๆไปเหมื่อนเราทําอยู่เรื่อยๆทำสังฆ์ส น, น, นานก็เกิดขึ้นทำสงบของจิตความลงรวมของจิต ก็เห็นบ่อยเจ็นบ่อยโอกาสเวลาที่จิตจะเถอไปนึกคิดจิตตามอารมณ์นั้นมันไม่ค่อยมีเพราะมีสติรักษาจิตใจของตัวอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าการไปนึกคิดอย่างนั้นมันเป็นคิดเจนไครและห่างไกลจากความสงบ ความอยานเย็นส่วนนี้ท่านจริงไม่ไปคิดไปนึกพอเห็นว่าส่วนนั้นมันชั่วมันเสียมันตกระกเมื่อจิตได้รับความสงบเป็นสมาธิมีพื้นฐานทางสติปัญญามั่นคงไม่วอกแวกไปในสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วถอดถอนขึ้นมา จิตใจก็ใข่คิดในอัดในทำอยู่เรื่อยเรื่อการที่นิพพิจรารณาเมื่อจิตมีสมาธิมีความหนักแน่นพอมันถอดถอนออกมาประสบอารมณ์ทัญญยาต่างๆมันจะเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันจะมีการ นำอารณมณนน์นั้นมาพิจารณาเพื่อศึกษาเพื่อแก้ไขมีเรียกว่าีิปัชนาคือการพิจรารณาเพื่อจะแก้ไขเพื่อให้ใจเห็นแ้่ในสิ่งที่ข้องจิตจิตกลุม่ม น, นั้นถ้ามันจิดในรูปมันก็จะนำรูป น, นั้นมาพิจรารณาตามความเป็นจริงของมันเช่น พระพูทใชเจ้ากปล่าว่าอานิจจังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวชนาสัญญาสังขารยินญาณกดทำนองเดียวกันเอารูป น, น, นั้นมาพิจารณาว่ามันเฉียงแข่เนี่ยนอนไหมหรือมันเป็นอย่างไรรูปที่เราติดใจชอบมันแก่ไขา ย, ยากยินหน่อย ชาห่าไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะของใจจะรูปที่เราไม่ชอบกัอีกแหลวเกิดทุกข์เกิดโทษไม่อยากเห็นในรูป น, นั้นเมื่อเห็นเขาก็ไม่พอใจนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนา ม, มาวินิจฉัยนา ม, มาแก้ไขด้วย ธรรมด้วยปัญญาที่แต่ชนาของธรรมเือรูปนั้นก่อนที่เรายังไม่เห็นมันมีหรือไม่หรือมันซึ่งมีวันนี้แต่เมื่อไม่เห็นทำไมไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นแล้วทำไมไปยินดีทำไมไปไม่ไปยินร้ายในรูปเหมือนนั้นแล้วรูปเหมือนนั้นบาง สิ่งบางอย่างเขาอาจจะทราบว่าเราเป็นบ้าเป็นบอไปชอบเขาไปยินดีกับเขาไปติเตียงเขาอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องปัญญามันจะเกิดขึ้นรูปนี้ในคงที่เกิดขึ้นแตบบ่ปวนและแตกสลายไม่ว่ารูปวัดผุหรื อ, อรูปหญิงรูปชายเป็นคานองนั้น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 เป็นไปตามทํานองนั้นถั่วไปไม่ว่ารูปภายนอกหรือรูปภายในคือตัวของตัวเองเบื้องส้นก็มันเป็นอย่างนี้เคยเป็นเด็กอยู่ในคันถอดออกมาใหม่ๆทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่เก้นเพราะอาศัยปัจจัยเสื่องบำรุงมีบิดามารดาที่เลี้ยงรักษาให้อาหาร การอยู่จินบัุงมาจินเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปถ้าไม่ตายง่ายล้วก็จะเห็นเรื่อยไฟความเปลี่ยนแปลงของรูปอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะสมไัยปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาก็เหมือนกันอนาคตยังไม่ถึง่าทำลองเดียวกันนี่คือการที่จารณาอนิจจังเพื่อให้คอาใจในจิต ให้ถนาชัดเจนช่นวยจิตจะไม่หลงไหลไม่ยึดถือในสิ่งนั้นนั้นว่าเร า, าของเราเพราะรูปนั้นมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่ารูปนอกรูปในทุกคนที่มีกิเลสในใจไม่มีปัญญาแก้ไขจึงหลงติดยิดจูงอยู่เรื่อยอยากจะให้รูปของตัวคงเสน้นคงวา ไม่อยากจะให้แจไม่อยากจะให้ซุกซโอมอยากจะใคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นอยากจะให้สาวให้หนุ่มอยู่เสมอไปแต่มีใครบ้างหรอที่พขได้ตามปแาบขนาดเพราะรูปเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันจะเป็นไป ต, ตามหน้าที่ของมันใครจะชอบมันขนาดไหนมันก็ไม่ลหลงไหลไม่นคนรชอบ ใครเกลียดมันขนาดไหนมันก็เปลี่ยนไปตามหน้าจิ่ของมันเราบ้าหรือจึงไปชอบสิ่งที่เขาไม่รู้สึกอะไรไปเสียใจสิ่งที่เขาไม่ทราบเรื่องกับเราเราจะเกิดปัญญาเข้าใจขนัดในตัวของตัวแล้วละถอนทำจิตข้องเห็นไ่าจิตเป็นผู้ไปนึกไปคิดไปจิดไปฟุงไปยึดไปถือ ไม่ใช่เรื่องอันอื่นที่จะก่อทุกข์ก่อโทษให้แก่ตัวจิตของตัวเองก่อทุกข์ก่อโทษแต่จะให้เห็นแจ่มแจ้ ง, งชัดเจนละกีเหน็ดได้ต้องอาศัยจิตใจมีสมาธิความหนักแน่เพียงพอถ้าหากคิดเดาเอาโดยไม่มีความฝึกอบรมจิตเลย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 ก็กลับเข้าไปพักผ่อนในสมาธินี่เป็นเรื่องการฝึกจิตอบรมใจของพวกเราท่านเพื่อแกไขความจิดของสองมองต่างๆให้แจมกระจ่างขึ้นในจิตในใจถ้าใจไม่หลงไหลใจเข้าถึงอัดถึงธรรมใจเข้าถึงความจริงแล้วเราไม่หลงไหลอะไรเข้าใจว่าสิ่ง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 แต่อาศัยกิตเหลดตำตัณหาอาศัยตามืดบอดท่องเราจึงมองไม่เห็นคำว่าตามืดบอดคือตาใจไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะที่จะที่จะได้นาในสิ่งนั้นนั้นให้เห็นตามเป็นจริงไปได้พะอันปกปิดคุมเอาไว้หมดเหมือนแสงคลิดแสงจันมันมีอยู่ตลอดวันตลอดเวลา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 ยืมุดคือความบริสุทธิ์ของจิตทับเข้าไปผมเข้าไปเรื่อยๆผลที่สุดก็มองไม่เห็นแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรความรู้ภายนอกความรู้จากสมมติความรู้จากปริยัตมันเป็นความรู้ทางสัญญารู้เท่าไรก็หลงเท่านั้นไม่มีการที่จะแก้จีรียปัญหาได้ ทั้งรู้ทั้งหลงอยู่นั้นรู้หลงหลงไม่ใช่รู้จริงอย่างรู้ด้วยฟัญญารู้ด้วยการภาวนารู้ด้วยการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะ ร, ระูระ้อันเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันรู้จากการศึกษาการปฏิบัติธรรมะรู้แล้วมันแจกไใละวางปล่อยตระไป ใจมันจึงสะดวกใจมันจึงสบายใจมันจึงสงบใจจึงเยือกเย็นใจจึงเบิกบานใจจึงตืน่นจากที่เละมีการฝึกการอบรมจริตใจพวกเราทุกคนก็มุ่งมัน่นอยากจะให้จิตใจของตนมีความสงบมีความสุขจากจากทุกที่เละตัญหาก็อพื้นต่างหน้าต่างตา จะทำบําเพ็ญเพราะโอกาสเวลาหรสถานที่พอที่จะหาวทธิ์ภาวานาําะระจิตเลสได้ถ้าหากเราไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจภาวานาละจิตเล็แล้วจะอยู่ในสถานที่สงบสงัดขนาดไหนแต่ไม่เอาใจใส่ที่จะฝึกอบรมใจของตนมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ใหง แต่นั้นโอกาสเจลาหรือสถานที่ทุกอย่างอำนวยให้เราก็าตั้งใจจะมาแต่ทำบำเพ็ญมาประพฤติปฏิบัติช่งฝึกหัดอบรมต่างหน้าตัางตาจะททำบำเพ็ญเต็มตามความสามารถท้องตนเหนือทุกคนตัางหน้าตัางตาศึกษาภาวนาละกิเลสความดีวิเศษความสงบของใจถึงเราไข ค, คิด อยากได้อยากเห็นอยากเ็นนั้นก็นจะเป็นสมบัติของเราเพราะทำเป็นอาจาลิโกไม่มีการมีสมัยใครต่างหน้าต่างตาศึกษาภาวนาละชีเลคนนั้นก็นจะมีความสุขความสบายคนไหนในต่างใจ <c oughs> ไม่ปฏิบัติเห็นว่าทำหมดการหมดสมัย ไม่เดืสนใจในการรักษาสีงสมาธิปัญญาวิชาริมุตมันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นพวกเราท่านเชื่อมั่นว่ามรรคผลธรรมวิเศษยังมีการต่อพติปฏิบัติอัตธรรมในทางที่ดียังส่งผลดีให้การปล่อยใจไปในทางชั่วยังเกิดกิเลสตันหาเกิดทุกข์เกิดโทษได้ ตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนรตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาศึกษาภาวนาจะเป็นฆร า, าวาสหรือแม่ชีต่อตามก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาจต่ทาบําเพ็ญให้เห็นให้รู้ในตนของตนเมื่อทุกคนสนใจตั้งใจภาวนารักษา จิตรักษาใจท้องตนสังวรแล้ววังอารมณ์สัญญาสี่ขวเสียต่างๆสี่จรมาหรือผุดขึ้นไม่ให้จิตไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวต่างหน้าต่างๆกกำหนดรักษาจิตใจท้องตนไม่หลุ่มหลงไปในสัญญาอารมณ์ยึดมัน่นในธรรมสี่พระพุทธเจ้าแะนะน จะเป็นพุโทโธทำบริกรรมกวดตามหรือกำหนดลมหายใจกวดตามจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิถอดถอนขึนมาทิจารนาทางปัญญาเกละ้ะื่อแี่ยไขจีเลเมื่อตั้งหน้าตั้งตาจะทำบำเพ็ญอย่างนี้ทุกคนจะมีโอกาสเวลาปะสศพบเห็นธรรมะคือความสงบ เย็นของใจแต่นั้นขอทุกท่านจงนำไปที่นิ่ที่เจณาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายทธรรมี้เห็บ่าพอสมควรเกวัเวลาไอยุติเพียงเท่านี้